ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่หลายเท่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ของราชแห่งความเป็นมนุษย์ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้วไม่ต้องไปหาโชคที่ไหนยิ่งได้มารู้จักพระพุทธศาสนาได้ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือศีลหรือว่าได้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 อาจจะสำหรับเราเราจะมองว่าเทวดาเหนือกว่าอย่างอื่นด้วยเช่นอิทาลีสามารถบันดาลอะไรได้ตามใจปาธนาแต่ว่าในสายตาองเทวดาเนี่ยมนุษย์เราเหนือกว่าประเสริฐกว่าเทวดาเนี่ยสามอย่างอย่างที่ว่ามามีความกล้าหารกว่ามีสติมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมโดยเพราะสองข้อหลังนี่สำคัญมาก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 สุขติภพของเทวดาก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเวลาเทวดาจะจุดติจุติคือดับนะไม่ใช่เกิด เ, เวลาเทวดาจะจุดติเนี่ยไปสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยก็จะมีการอวยพรว่าขอให้เธอไปเกิดในมนุษย์เสียโลกนะขอให้ปเกิดเป็นมนุษย์นะเทวดาคุยอวยพรก็อย่างนั้นไม่ได้อวยพอรอย่างอื่นเลยเพราะถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ นะถือว่าเป็นเรื่องยากและการที่ได้เป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้สามารถจะทําสิ่งวิเศษประเสริฐกว่าเทวดาได้โดยเฉพาะจะบรษลุทำได้เนี่ยก็มีโอกาสทำในในร่างมนุษย์เนี่ยได้มากที่สุดอันนี้ด้วยนี้พพุทธเจ้าเนี่ยถือมาอุบัติขึ้นในในมนุษย์โลกไม่ได้ไปอุบัติที่อื่นไม่ได้ไปอุบัติใน เทวดาในชั้นสวรรค์แต่ว่ามาอุบัติในโลกมนุษย์นี่แหละก็มีแต่โลกมนุษย์น่แหละที่จะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้มีองค์เดียวมีมาเยอะแล้วด้วยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าองค์นี้พระโคตมา พ, พุทธเจ้าได้ไปเกี่ยวข้องด้วยในภพชาติต่างๆนี่ก็มีถึงย4พระองค์หมายถึงได้ไปทาบุญหรือว่าได้รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าก็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 ทานในฝ่ายชายก็จิตตคาบดีถ้าฝ่ายหญิงก็นางวิสาขาจตคาบดีก็เป็นผู้ฝ่ายทำแล้วก็แต่ว่ามีครั้ก็ป่วยหนักนะมานก็มาบอกว่าเมื่อป่วยนี่ขอยตั้งความหวังไว้ชาติหน้าไปเป็นจกักรพรรดิมารมามาล่อมาหลอกว่าชาตินานี้ให้ตั้งความหวังไว้เป็นจกักรพรรดินะเพราะว่าจิตตคาบดีเป็นคนทําทําบุญไว้มาก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 ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าถึงเป็นจกักรพรรดิก็ทุกได้เป็นจกักรพรรดิก็ทุกได้กลุ้มอกกลุ้มใจก็ได้มีจกักรพรรดิหลายคนที่ถูกฆ่าเพราะว่าลูกเนี่ยมันโมโหโมโหเพราะว่าไปยกสมบัติให้คนอื่นอย่างจะมาไปพมา่ามาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีกษัตริย์พม่าหลายองค์เลย ไม่ว่าที่หงสาวดีหรือว่าที่ที่มันดเดลหรือว่าที่พุ ก, กามหรือพอม่านี่มีเมืองหลวงหลายเมืองเยอะมากมาเยอะกว่าเมืองไทยสิเมืองไทยก็มีแค่สาสัแหละคือสุขโขทยัยอยุธยาชนบุรีกรุงเทพรัตนโกสินทร์พม่านี่เยอะไปหมดนะย้ายเมืองหลวงกันอยู่เรื่อยนี่ก็ย้ายไปลใลเนปิดอจากยัางกลุงไปเนปิดอคนยังจำชื่อไม่ได้เลย กษัตริย์พม่าหลายองค์เนี่ยตายเพราะลูกเนี่ยฆ่าเรียกว่าทำปิดตุคาตลูกฆ่าพ่อเพราะว่าพ่อนี่ไปยกสมบัติให้ลูกคนอื่นนะลูกเลยฆ่าซะเลยแบบที่พระเจ้าปิพิสารโดนราชศัตรูฆ่าหรือแบบที่ที่คนสร้างทัชมาฮาลชาชาหานถูกลูกเอาดังเซ็ปฆ่าจับไปขังจนตายในรังกาก็มีเนี่ย เนความทุกข์ของคนเป็นกษัตริย์นะก็คือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยคิดว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็ห น, นีภัยใกล้ตัวไม่พ้นกษัตริย์ในป่า น, นี้ก็ตายกันยกครัวเพราะว่าไ ม, ไม่รู้ลูกหรือว่าน้องชายข่าเป็นกษัตริย์เป็นจกักรพรรดิก็ยังมีความทุกข์แม้แต่ไปอยากเป็นเทวดาก็มีความทุกข์สำหรับเรานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้ระลึกว่า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 เมื่อปีที่แล้วนี่ใครๆก็กะตุกครามทั้งนั้นนะแต่ตอนนี้ก็หมดละเพราะก็รู้ว่ามันขออะไรไม่ได้มันต้องทำด้วยความเพียงของเจ้าของเองพระชาพูณเนี่ยที่แท้เนี่ยคือผู้ที่พึ่งความเพียงของเจ้าของอย่างพระมหาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างเรือแตกกลางทะเลใครๆก็ร้องขอให้เทวดามาช่วยแต่พระมหาชนกตอนนั้นเป็นพ่อค้า เรียกว่าเป็นพระพรานีก็เรียกด้วยความยกย่องแต่จริงๆคือมหาชนกเป็นพ่อค้าก็ไม่สนใจไหว้เข้าฟังอย่างเดียวมองไม่เห็นฝังแต่ก็ไหว้มีแค่เศษไม้เกาะไม่ได้เรียกร้องเทวดาให้มาช่วยไม่ได้บนบานสารกก่าอะไรทำอยู่นี้จวัน7คืนจนกระทั่งนางบดีเมฆขล า, าเป็นเทพรักษาสมุด ต, ต้องมาช่วยนางบดีเมฆขลาก็ถามว่าทำไมพระมหาชนก ไม่ลองขอเทวดาให้ช่วยมหาชนกก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องทําความเพียรดังอย่างถึงที่สุดจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่สําคัญต่ากับว่าได้ทําเมื่อทําแล้วนะก็ก็ไม่เสียดายที่ได้เชื่อเป็นมนุษย์ทําความเพียรโดยเพราะทําความเพียรในทางที่ดีอันนี้แม้แต่เทวดาก็ต้องเคารพ บ, บางทีเทวดาเนี่ยก็สู้ความเพียรของมนุษย์ไม่ได้ถ้ามีเรื่องราวในพระไตรปิฎกอีกว่า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 ฝ่ายหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าเขาจะแพ้เขาก็เตรียมตัวใหญ่เลยฝึกปือทหารวางแผนอย่างดีเตรียมตัวมาจนกระทั่งพอถึงเวลาก็สู้รบ ก, กันปรากฏว่าฝ่ายหลังชนะฝ่ายที่เทวดาหรือพระอินท์บอกว่าจะชนะแต่กลับแพ้พระราชาก็เลยไปด่าว่าลือศีลือศีก็เลยไปไปตําหนิพระอินท์พระอินท์ก็บอกว่า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 ท่านก็ให้ทานมีลงทานเยอะมากจนในสุดยากจนลงไปเทวดาที่มาอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูในบ้านของอนันตปิฎิก ะ, ะเทวดานี่มาเองนะอนันตปิติกะไม่ได้มาเชิญไม่ได้มาตั้งศาลรบภูมิให้เทวดามาเองเทวดาก็มามาบอกว่าต่อไปนี้อนันตปิติกะไม่ต้องให้ทานแล้วให้ทานแล้วเดือดร้อนไม่ต้องให้ใเทวดาคงอยากอยากจะเห็นอนันตปิฎิกะรวยมังคั่ง เพื่อว่าตัวเองจะพอได้รับอานุสวงด้วยเทวดาก็โลภนะอันเทวดาก็เห็นแก่ตัวอันตอนทัศนิกรได้ญิงก็เลยไล่เทวดาออไปเลยบอกท่านไปได้เลยนะไปไกลๆไล่ออกไปจากบ้านตนะอนทัศนิกรนี้ไล่ได้นะไม่กลัวเพราะเชื่อมันในความดีที่ตัวเองได้ทําเทวดาก็สํานึกผิดนะในสุดต้องไปขอให้พระพรมมาเจรจา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 มีเท่าไหรหรือมีอะไรไม่สําคัญทั้ว่ามีอย่างไรหรือใช้อย่างไรโน้ตเรามีทุนเดิมอาจจะสู้เทวดาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาทุนที่มีแหละ<ม>ก็คือาการมีสติมีปัญญามีความกล้ามีความเพียรแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็สูงกับเทวดาได้เหมือนกระต่ายกับเต่านะทุนเดิมของกระต่ายนี่มันมันดียว่าเต่าอยู่แล้วตายนี้วิ่งได้เร็วกว่าเต่า ยำได้บ่นิทานอีสบกระตายกระเตา่าทุนเดิมของเต่าเนี่ยมันสู้กระตายไม่ได้แต่ถ้ากระต่ายมีความเพียรน้อยกว่าเตา่าถ้ากระต่ายประมาทเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าอันนี้ก็อาจจะแพ้เต่าได้เต่าเดินช้าทุนที่ได้มาเป็นก็มีต้นทุนต่ําแต่ว่าทําเต็มที่ถึงแม้มีขาสีขามันตุวมเที้ยมเตี้ยมแต่ว่าเดินไม่หยุด ก็ชนะก็ตายได้นู้นเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเกิดมาเราอาจจะเหมือนกระเต่านะสู้กระต่ายไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทําความเพียรเราก็ชนะก็ตายคือชนะเทวดาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนให้เราชาวพุทธเนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์เหล่านี้จะไปพึ่งพาเทวดามนุษย์เราไม่ใช่ว่าด้อยกว่าเทวดาเราสามารถพัฒนาตนได้แต่ว่าคนสมัยนี้แม้แต่ชาวพุทธก็ไปหลงงมงาย เพราะว่าเป็นท่าของความอยากเป็นท่าของความโลภแล้วก็รักสบายก็เลยกลายเป็นประเภทหวังรับปลอยคอยโชคนิยมทางรัดเดีย๋ยวนี้คนไทยเป็นอย่างนี้หวังรับปล่อยคอยโชคเพราะว่ามันขี้เกียจรักสบายเรียนหนังสือก็ไม่อยากเรียนอาศัยทางรัดถ้าสอบไม่ดีก็ไปขอเจรจากับครูขอให้เพิ่มเกรดบางทีก็อเอาของหวานไปให้เดีย๋ยวนี้หนักนะเอาตัวไปแลกกับเกรดนะ เพื่อให้ได้คะแนนดีๆนี่หรือทางรักหรือว่าอยากรวยก็ไม่ข ย, ยันนะเล่นไพ่เล่นการพ น, นันแทงหวยเพื่อมันจะได้รวยเร็วๆบ้างก็หวังลมๆแรงๆเรานี้แทงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าก็ทํายังไงก็ไปหาพระทําบุญเพราะคิดว่าถ้าทําบุญมากๆเดี๋ยวบุญก็จะส่งให้ถูกหวยหรือไม่ก็ไปบนบานสายกล่าวเทวดา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 โกงกันหลายรูปแบบเดีย๋ยนี้พระนี่โกงข้อสอบกันก็ทํากันทั่วไปนะเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วนี่ก็ทางรัดอีกแบบหนึ่งพระก็เป็นกันโกงเงินก็มีกันเยอะนะถ้าโกงไม่ได้ก็ป้นฆ่ากันไอ้พวกนี้ก็เป็นทางรัดเหมือนกันเดนี้ขวางรอบรอยคอยโชคนิยมทางรัดนี่มันทําให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยมีความเชื่อนะอย่างที่พูดมา ถึงแม้ว่าจะเชื่อว่ามีเทวดาใคเขาจะบอกว่างมงายเปง็นมงายไปเชื่อเรื่องเทวดาอันนั้นไ ม, ไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าเชื่อว่ามีเทวดาแต่ว่าไม่พึ่งพาเทวดาเนี่ยพึ่งความเพียรของตัวเองอันนี้ดีกว่าวดีกว่าพวกที่ไม่เชื่อเทวดาก็เลยทําความชั่วได้ถนัดเช่นจะตัดไม้ทําลายป่าก็ไม่ไกลวัวเทวดาอาลักเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเรามีความคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่ยิ่งคิดแบบวิทยาศาสตร์มันยิ่งทําชั่วได้ง่ายเพราะว่ามันไม่กลัวบาปกลัวบุญ มันไม่กลัวเทวดาไม่กลัวเลยเลยจะทิ้งของรูแม่น้ําก็ไม่กลัวไม่กลัวว่ามันติดผี อ, อย่างที่สมัยก่อนที่หลวงพ่อมเข็นเล่าขนาดเป็นเด็กๆนี่จะเอาเท้าเตะน้ําใส่วัวใส่ควายให้มันเย็นเตะ น, น, น้ํานี่เขายังผิดผีเลยหรือว่าจี่ในน้ําเนี่ยไม่ได้เพราะเรามีความช่วยเหลือผีเราก็เลยกลัวแล้วก็เลยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม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 แต่ถ้าช่วยเทวดาแล้วก็พึ่งพางมงายกับเทวดานี่ก็ไม่ดีนะให้ถือว่าต่างคนต่างอยู่มันถ้าเรามีหน้าที่ทำความดีก no ็ทำไปส่วนเทวดามีหน้าท hmm? ี่ช mm. ่วยคนก็ช่วยไปแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปโวยวายว่าทำไมฉันทำดีทำไมเทวดาไม่ช่วยอันนั้นเป็นเรื่องของเทวดาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราทาความดีเลื่อยไปไม่สนใจไม่สนใจคนอื่น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 ถึงมีเงินก็ยังทุกที่ป่วยถึงป่วยก็ยังทุกเพราะว่าลูกติดยาหรือว่ามีมีชู้มันมีโอกาสที่จะทุกได้ร้อยแบกบถึงแม้จะว่าจะบรรลุผลเพราะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจเถิดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้เป็นสุดยอดแล้วนะขอให้เราพึ่งพาธรรมะพึ่งพาความเพียงของเจ้าของ